ต, ตั้งใจงานอะไรดอกงานของเราหน้าที่ของเราก็คือภาวนาเท่านั้นแหละ <c oughs> ส่วนจะได้หรือไม่ได้จะเกิดจะเป็นจะมีหรือมันมันไม่ต้องไปขาดไปไหมหน้าที่จะต้องเอาสติจับเอารมใหายใจ ตัตีครับลมหายใจให้รู้กันอยู่เท่านี้งานไม่ได้เกี่ยวนิดๆหน่อยๆก็พอนั่นไม่ได้ถือว่าเป็นงานงานประจำของเราก็คือจับเอาลมหายใจให้รู้ลมเห็นเราอยู่เท่านั้นได้ไม่ได้มันก็ลองดูนแหละไม่ใหม่มันก็ล้มลุกคุกคานภาวนาน่นะ ทำอะไรก็เหมือนกันแหละใหม่ๆอย่าให้มันเป็นมันได้มันรวยเลยก็ไม่ได้ดอกต้องฝืนสู้ฝืนทำทุกอย่างก็เหมือนกันนั่นะเพราะมันเป็นไปได้มันดีขึ้นมันก็ค่อยหมั่นค่อยขยันไปดอกทีเนี้ยไม่อยากมาใกล้กันดอกพอจิตเริ่มสงบเริ่มเห็น ความสงบขึ้นนี่ไม่อยากมาใกล้เพื่อนหรอกเห็นตัวเองนี่แหละ้ลอยนี้พยายามออกหนีห่างกลัวมันจะเสื่อมกลัวมันจะไม่สงบพอรู้ทางมันว่างๆมันเยือกเย็นลงนี่ไม่อยากไปพูดกับใครหรอกอ ห, าหาหลบหลีกหนีที่ไหนมันจะไกลไม่ได้มีเพื่อนไป คุยด้วยไม่ได้ยินเสียงกันนั่นนะจะเอาให้มันเห็นอย่างนั้นอันนี้อะ่ะเล่งเจ้าขอ ง, องนั่นนะถ้ามันเกิดมันเป็นหรมันขยันเองมันหาอุบายออกหนีจากมูกจากเพื่อนไปหรอกไม่ไปใกล้เป็นเด็กขาดอัแบบนนี้มันเป็นเองหรก <c oughs> อก น, นั้นอันนี้ก็ไม่อยากกลัวจะเสียเวลาภาวนา ลอยไปทำอาแ อ, าอาไปทำอานนะยแต่ <c oughs> <c oughs> ฉันน้ำปะนะเขาเขาอยู่ที่ทําพระปู่ท่านก็แบ่งเบนให้แล้วผิดชอบชอบน้ำปะนะต้มน้ำร้อนแล้วก็จัดอาสนะปูอาสนะมันพระหลายต้องเขาเบนกันถ้าเจ็ดคน เป็นลาห้าคนเจ็ดคนลงไปทําทําแล้วก็รีบหนีหาเวลาให้เจ้าของมอกหมูเพื่อนจะไปต้มน้ำร้อนให้ก่อนไอปูอาสนาก่อนไม่อยากมายุ่งแล้วไปทําเสร็จแล้วก็ห น, นีป็นมาส่วนการเก็บการอะไรก็มอบให้หมูเพื่อนเก็บลบนี้ ขนาดนั้นแหละมันถ้ามันเป็นมันได้มันขยันขึ้นเองดอกความเยือกเย็นเป็นสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็เอาละที่เนี่ยเกิดแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในตัวเจ้าของเองแหละเราเริ่มจะมีหลักมีเกณฑ์แล้วทีนี่มีเครื่องอยู่ปิด <c oughs> ไม่ส่งไปไหนดอก <c oughs> เครื่องอยู่คอ เครื่องอยู่ไม่พอก็นั่นแหละวิ่งตับทั ก, ก, กักไปเหมือนกับหมาเหมือนกับหม่านั่นะเครื่องอยู่ไม่พอเขาเรียกว่าพระวัวพระควายพระหมาพระหมูพระหมาแล้วแต่เขาจะว่ากันดอกได้ยินบุญบ้านไหนก็วิ่งกับกับกับกับกับับไปเหมือนมาฮะถ้าเครื่องอยู่พอแล้วเว้ยมันเป็นบุญนันไม่นิมนต์ไม่ไปหรอก จะไปอะไรแล้วไม่ได้มาบวชมาหาเงินหาทองได้เงินในทองมาเราก็เอาเข้าให้สงฆ์ใชไปเราไม่ยินดีกับของพอประนันดอกพระหมาเขาก็ว่าท่านาก็ว่าครูบาอาจารย์กินแล้วก็กัดกันหีดกันเหากันนั่นแหละพระหมาถ้าหมูกินแล้วก็นอน ไม่รู้ไม่รู้จักปฏิบัติเจ้าของแล้วก่อนแล้วนินลองตามหาว่ากินแล้วนอนไม่มีอะไรพอทำอย่างนั้นไม่รู้จักตั้งสติไม่รู้จักฝึกสติฝึกฝกิดฝึกใจรอกอ่อยไปได้ยินบุญ ผู้บายจาย์อยู่วัดไหนก็ไปนั่นจะไปเอาลากศักกะละกับเขาหรือไม่เอาลากศักกะละก็ไปหาหมู่หาเพื่อนคงจะเจอคนนั้นคงจะเห็นคนนี้ไปเรื่อยๆหละออันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไปอย่างนั้นแหละหมดนั่นแหละเวลาไปขอขมาใกล้เข้าเวลาเข้าพันสาใหม่ๆไป คารวะครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แตกกันไปหมดทั้งวัดเลยวะไม่ไปไม่ได้ไปสักทีหลวงพ่อก็บอกต้องดูแลวัดต้องเข้าวัดนะเวลาแขกคนมาต้องรับเขาไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปคารวะไหนก็ไม่ได้ไปทุกวันนี้ก็ไม่มีมีไปคารวะหลวงตามหาบัว ทั้งสองครั้งเท่านั้นนะส่วนพระองค์อื่นไม่เคยไปดอกเคยพายาพายโยมไปเฉยด้วยซ้ํากาบท่านคารวะท่านก็อยู่ที่นี่นหะกราบพระพุทธกบาบครั้งแรกก็พุทธโธนะนะกบาบครั้งที่สองก็ธรรมโมนะนะกบาบครั้งที่สามก็สังโฆนะน้อมจิตน้อมใจผู้ใดเป็นพระอริยสง์ ในโลกนี้เราขอน้อมกาบหมดไม่เรียกว่านุ่มหรือแก่พาเล็กเน้นน้อยถ้าเป็นอริยบุคคลขอกาบหมดน้อมจิตไปกาบหมดทุกองท์ทุกท่านมันนะไม่ต้องไปคารวะดอกคารวะมามันก็คือเกา่าเน่ยคนแข็งกระด้างทําท่าหน้ า, หนาไหว้หลังหลอกต่อหน้าก็ยกมือกาบคารวะ หันหลังให้ก็แค่นั้นแหละมีอะไรดอกไปคารวะไปหากินไปหามู่หาเพื่อนไปหากินน้ำส้มน้ำหวานหันน้ำปะนะเฉยๆดอกพระผู้ที่หวังมรคนิพพานจริงไม่ใช่เป็นไปอย่างนั้นไม่ไปไม่ไป หูเพื่อนไปทิ้งวัดไปก็วัดก็เงียบสังเกตเราก็รีบตักตวงเอาแหละทําเอาเลยแหละนั่นแหละต้องพากันทําถ้ามีเครื่องอยู่แล้วไม่ไปไหนหรอกไม่คิดว่าจะไปอยู่วัดนั้นไม่คิดว่าจะไปอยู่วัดนี้วัดไหนก็คือวัดก็คือใจนี่แหละถ้าใจเรามีเครื่องอยู่แล้ว ไปอยู่วัดนั้นก็กินข้าวฉันข้าวเหมือนเดิมไปอยู่วัดนี้ก็ฉันข้าวเหมือนเดิมคิดว่าวันวัดนั้นจะดีวัดนั้นจะดีดะดแม้แต่อยู่ที่วัดเจ้าของก็กุฏิเก่าหนึ่งคิดว่ามันภาวนาไม่ดีก็ย้ายไปเรื่อยนลยครูบาอาจารย์ไม่สั่งหลอยย้ายไปปกติต้องให้ครูบาอาจารย์ สั่งหรือมาบอกถ้าจะย้ายจะถูกลามีกิจธุระท่านจะไปตามถูกบอกถูกต้องมาบอกท่านนจะถูกกุนั่นจะดีกุดนี่จะดีก็ร้อย ย, ย้ายไปเรื่อยๆอันนั้นนั่นแหละเครื่องอยู่ไม่พอนะทำหน้าที่แค่นี้ไม่ได้มันจะไปไหนบวชเข้ามาแล้ว แค่จับเอาลมให้ใจเฉยๆลมให้ใจเป็นเครื่องลู่ของจิตเป็นเครื่องและลึกของสติและลึกอยู่อย่างนั้นเข้าก็และลึกลูก่ามันเข้าออกก็และลึกลูก่ามันออกอย่างนั้นส่วนอะไรจะเกิดจะเป็นก็แล้วแต่มันจะเกิดจะเป็นเอาแหว ม, มันเป็นของเขาไปเองพัฒนาไปเองจิตมันจะพัฒนาตัวไปเองลมหายกายลมหายกายไม่มี จะเข้าไปอยู่ฌานนั้นการ น, นี้มันไปของเขาเองดอกบางคนไปอ่านหนังสือมามากเมื่อไรมันจะเป็นเกิดปิติเมื่อไรมันจะเกิดอะไรมันก็ปุ้งไปใหญ่เวลามันจะเย็นเย็นลงเอาเอากำลังแล้วกาลังแล้วว่างงินนะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ต้องไปคาดไปหมายวางความคิดออกหมด ลมหายใจมันดับระงับดับลงก็รู้เฉยๆว่ามันระงับดับลงเท่านั้นไม่ต้องไปอยากเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ไม่ต้องไปอยากได้อันนั้นอันนี้ถ้าคิดอยากมันจะเป็นนะอย่างพระเนี่ยปีหนึ่งอยู่คําบอลเนี่ยอ่าเห็นลุงตาผีน้อยผีน้อยนี่ลงตานั่นก็ คนเล็กๆดอกแต่ว่าเอาเคยเอาหนังไปฉายให้ผีดูที่ฉนดหรือนี่แหละทางบ้านดวงบ้านนั่นนะทำะนํำฉนอดไปเอาหนังไปฉายให้ผีดูว่างั้นนะเขาเลยเรียกดวงตานั้นว่าดวงตาผีน้อยดวงตาผีน้อยชื่อผีน้อยนะมาบวชมาแกก้อนไปนั่งเห็นดวงแก้วเนี่ย นั่งลงก็เห็นดวงแก้วสว่างสวัยพุ่งขึ้นแล้วก็ไปตกตรงนั้นตรงนี้พระอยู่บ้านคำวาอยากไปเห็นดวงแก้วแตกวัดกันไปฟัองอยู่คำวาไปอยู่กับหลวงปู่สวยนี่แหละไปเห็นดวงแก้ว ลอยขึ้นแล้วก็ไปตกตรงนั้นตรงนี้มันขึ้นจริงๆว่างั้นนะแล้วก็แตกตื่นเอาไปมาอ่านั่งอยู่เฉยๆก็เห็นเลื่อมตาอยู่ก็เห็นไปถามดูนั่งไปนั่งมาก็อยากเห็นเหมือนกับเขาไปตั้งจิตจ้องอยูอ่เหมือนกับเราเขาไปดักนกดักอะไรนี่แหละ จ้องแะงห้อยู่ให้กินมันจ้องจะยิงจะฆ่าเขาอย่างเดียวอันนี้ก็จ้องจะดูเพ่งจะดูดวงแก้วเอาไว้มามันบังเอินมันเกิดขึ้นมาพวกนี้เป็นบ้าเกือบหมดนันะเป็นมิจฉาลัทธ์ไปบอกไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันอาพาโสแสงโอภาส มันเกิดขึ้นบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดพูดที่มันเกิดได้ยินเขาว่าเห็นก็อยากเห็นกับเขาก็เลยไปจ้องดูเอาแวมาก็เห็นนั่งเงียบๆลงมามันก็สว่างขึ้นลอยขึ้นต่อหน้าเราเนี่ยแหละวิ่งไปวิ่งมาอ้อมไปอ้อมมาอ่าทีแรกลวงตาทีน้อยหน่ะเห็นก่อนนะเอาไวะมาแล้วหลงทางไปหมดทุกคงนั้น ไปเห็นอันนี้นี่เรียกว่าอาพาโสแสงโอภาษนั่นเรียกว่าวิปัสสนุกิเลสออกจากแสงนี้มันก็ไปเป็น่ะทีนี้ไปเปลี่ยนจากแสงไปเป็นรูปภาพไปเป็นปิ่นเป็นสีอะไรแล้วแต่จะแปลงไปน่ะกิเลสหลอกเจ้าของจิตเจ้าของหลอกเจ้าของเพ่งดูจิตเจ้าของอยู่นี่ มันจะไปเห็นดวงแก้วเกิดขึ้นได้ยังไงเพ่งจ้องจะดูดวงแก้วนะมันก็เลยกิตก็เลยสร้างดวงแก้วขึ้นมาหลอกเจ้าของกิตสันแดงแปลงเพศขึ้นมาหลอกเจ้าของไปแก้ให้บางคนก็ไม่เชื่อก็เท่าผีน้อยก็ได้เป็นวิปลาสต่อไปเพราะว่าไม่เชื่อมันแก่มันแดงแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อลองตาสุริก็พึ่งบวชมา ไม่กี่ปีนี่เองห้าหกพรรษานี่จะไปรู้เรื่องอะไรไหวงั้นเราเห็นมากับตาของเรานี่แหละเมื่อมันเห็นอันนี้แล้วมันจะเกิดปีติความอิ่มเอิบขึ้นมาแจ่มชื่นเบิกบานขึ้นมาเมันเกิดปีติกับปัสสุบความสงบก็ตามมาสงบยิ่งเกินพอดีแล้วจึง ออกจากนั้นมันก็เกิดปักขหะนั่นนะความเพียรยิ่งเกินพอดีก็ไปจากนี้นะวิปัสสนุกิเลสแยกไปเปลี่ยนบ้ายเราก็หลงว่ามันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเชื่อจนไปถึงกิเลสตัวที่สิบนั่ น, นเรียกว่านิการติ ความยินดีพอใจในอุปัฏฐิกิเลสเก้าอย่างที่เราผ่านมาย็นผ่านมาก็เลยเป็นวิปปิฏฐิปราชไปเสียเชื่อครูไม่เชื่ออาจารย์ภาวนาไม่มีอาจารย์ไปก็ย้ายหนีไปวัดโน้นวัดนูน้นไปก็ไปพาเขาไปดูอีกไปเห็นนั่นเห็นนี้นันนน่งลงเห็นอะไรหรือยัง ผมนั่งด้วยเห็นดวงแจ้วขึ้นมาที่แรกขอว่านงั้นนะเล่าให้เขาฟังคนไปนั่งใหม่ๆก็เลยอยากเห็นอันนั้นเป็นกิเลสนะอย่าไปเอานะตกเบ็ดเอาปลาภาวนาเอาจิตภาวนาเอาจิตเจ้าของจิตคืออะไรจิตคือผู้รู้นั่นะนะสิ่งสถิตอยู่ที่ลมหายใจนั่นะนะจิตอยู่ที่ลมหายใจ ถ้าอยากได้จิตอยากเห็นจิตก็อเอาสติไปจับเอารมณ์ให้ใจจิตเป็นอสลีละไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีแสงมีสีสัมผัสแตะต้องไม่ได้ถ้าไปเห็นถ้าไปเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นอันนั้นอันนี้ไม่ใช่จิตคือผู้รู้กเห็นความรู้เท่านั้นเมื่อลมหายใจระงับดับลงก็ตัวความรู้ มันจะเด่นขึ้นรู้รู้รู้รู้อยู่แค่นั้นไม่มีอะไรไม่มีตัวตนบุคคลนะเป็นธรรมชาติว่างครอบจักรวาลอยู่งั้นรู้อยู่งั้นไม่มีแสงมีสีไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสตัวผู้รู้เป็นธาตุรู้อยู่เฉยๆเป็นธรรมธาตุเป็นธรมนธรมชาติอยู่เฉยๆ ใครไปเห็นต่างจากนี้แสดงว่าไม่ใช่อันนี้เห็นแล้วไม่ดับนะต้องสังเกตมันผิดกันอยู่พวกกิเลสต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งรุนดับไปส่วนตัวผู้รู้นี่ตัวผู้โทนี้ท่านเรียกอมตะกิจอมตะธาตุธาตุที่ตายไม่เป็นมันจะรู้ ร, รู้รูู้อย่อยางั้นเรียกว่ากิตเดิมแท้ของเรา เรื่เว่าพุทโธเรืยองว่ า, ว, าวิสังขารเกิดเห็นแล้วไม่ไดับนอกจากกิจจะถอยออกถอนออกจากสมาธินั้นมันถึงจะดับลงกิจจึงมาอุปทะดทานเอาขันหาเอากายเอาลมหายใจเอากายหยาบเอากายละเอียดขึ้นมาถ้าช่วงที่มันเป็นว่างอยู่นั้น มันจะเป็นความรู้ ร, รูู้อยู่เฉยเฉยให้พากันเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อุเบกขามันมีอารมณ์สองเท่านั้นลงไปถึงอั ป, ปนาทานนั้นนะมีอารมณ์สองคืออุเบกขากับเอกัดคตาลมอารมณ์เดียวคือ ร, รู้รูู้อยู่อารมณ์เดียวเท่านั้นได้ยินเสียงอะไรเสียงโหดเสียงอะไรร้องก็รู้เฉยเฉย พุโทโธนี่ไม่เอาอะไรไปพุโทโธคือผู้รู้เหียงงดลองอุอุกนี้ก็รู้เฉยๆจับแล้วก็วางรู้แล้วก็วางไม่ปรุงแต่งไม่อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไม่เกิดรักเกิดชังขึ้นมามีแต่วความรู้เฉยๆอันนี้ถึงจริงๆ จ, จะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิ มาทิฏฐิความเห็นถูกต้องมันจะมีแต่ผู้รู้รู้รู้อยู่เฉยๆถ้าไปเห็นเป็นแสงเป็นดวงแก้วเป็นแสงสายลุ่งเป็นแสงอะไรไปอหอมเป็นกลิ่นถูกปกลิ่นเทียนมาหรื อ, อได้ ยินเสียงอันนั้นอันนี้หรือไปเห็นภาพอันนั้นอันนี้ไม่ไม่อันนั้นนี่แหละเรียกว่านิมิติอาภาโสที่แรกมันก็เสียงโอภาสเกิดขึ้นก่อนมันต้องหลอกซ่อนเงื่อนมันมันยามายาแปลว่าเสียแซงอะไรเสียแซงแกล้งทำจีบเจ้าของน่ะน่ะมาเสียแซงแกล้งหลอกเจ้าของ เราไปเห็นอันนี้เราก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นไม่ให้ไปอุปทานเอาไม่ไปถือเอาอันนี้ถึงถูกต้องสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องถ้าไปเห็นเป็นรูปแสงแสงกิ่นรสอะไรก็ตามในสมาธิเขเรียกว่านิมิตจิตสร้างขึ้นจิต ก, ก, กำหนดขึ้นเพื่อหลอกเจ้าของได้สมาธิอ่อนๆใหม่ มานมันจกสำแดงแปลงเพศขึ้นมาหลอกิ่งของคนไม่มีครูมีอาจารย์ก่อเป๋ไปเน่ะออกไปตามเขานะไปคบกับมานเพราะพระพุทธองค์จึงตัดเอาไว้อเซวนาจะบาลานังมันที่สวดไปเมื่อกี้เนะ่ะไม่ให้คบคนพาลเสาวนาเนี่ยสาวเสพส่องหรือแปลว่าคบกันกับคนพาลอะแปลว่าไม่ พาลานั่งนี่คือคนพานคนพานภายในคนพานภายนอกก็คือคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดปดมดเทสกินเหล้าเมาสุรานี่ยพานภายนอกนะพานภายในก็คือตัวของเราวใจนี่คือดวงมานแต่มานนะไม่ให้คบ ก, กับมานไม่ให้เสพกับมาน ถ้าครบแล้วมันจะติดนะนั่งที่หลังมันจะมาเข้าแทรกเข้าสิงเราทันทีเกิดปัดสธิสงบยิ่งเกินพอดีนั่งแม่นขึ้นมาเลยแหละสมาธิเอาไว้มาก็ดึงเราไปเห็นอันนั้นไปรู้อันนี้ขึ้นมาฉานี่หมดไปฉาใหม่เกิดมาเปลี่ยนชา ก, กันอยู่เรื่อยๆอย่างนั้น เอาไปมาก็ดูตลอดคืนก็ได้นะอะไรมันดีนีมันก็แปลงซ้ำแดงแปลงเพศออกมาให้เราดูให้เข้าใจอย่างนี้ผู้ภาวนานนะี่ยถ้าไปเห็นอันนี้ก็คิดถึงคูบาอาจารย์พูดให้ฟังอ๋อมันไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมของปลอม คนมันเช่าของปลอมงั้นกับเขาเอาทองเจามาหลอกเปลี่ยนกับทองแท้นั่นเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากได้ความโลภมันมีความอยากได้มันมีปัญหามันมีมันก็เลยไปหลงกลมัญยาของเขาหนะึ่งเอาของปลอมมาแลกของจริงก็หลงเชื่อเขาให้เขาไปนั่นละ อันนี้ก็เหมือนกันแต่พวกมันทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่นผนลพันผ่านภายนอกผ่านภายในิตใจของเรานี่แหละคือตัวของเราเนี่ยแหละมันเกิดขึ้นมาอย่าไปเสพกับมันอย่าไปดูมันอย่าไปคบกับมันถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็สบายป้องกันเอาไว้เฉยๆดอกเผือว่ามันเกิดขึ้น มันเป็นนะสำหรับวัดเราเนี่ยไม่ให้เป็นหรอกอย่างนี้ก็รู้เฉยๆรู้เฉยรู้เฉยทำจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นกลางอยู่จิตของเราก็จะดิ่งลงไปถ้ามันเกิดมาก็รู้แล้วก็เฉยไม่ยินดีไม่ยินไล ร, รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันต้องดับไปในโลกเนี่ยไม่มีอะไร สิ่งไดเกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์เท่านั้นเราจะไปแบกเอาทุกข์ไปกรรมเอาทุกข์ไปเสพเอาทุกข์หรืออืเราก็ไปอยู่กับผู้ไม่เกิดไม่ดับนั้นผู้ไม่เกิดไม่ดับก็คือความรู้รูู้เฉยรู้เฉยนั่นนะคือจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยนะคือพุทโธนั่นนะ เรียกว่าอามตะจิตอมตะธาตุเป็นธาตุที่ตายไม่เป็นสําหรับพวกจิเลศใจปลอมเ น, นี่ยมันมันเกิดแล้วก็ดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นไม่เที่ยงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์มันใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งได้เป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่เราคนก็ไปหลงว่าเป็นเราตรงนี้เหระ จึงไบคว้าเอากรรมเอาคว้ามับมับมับของปลอมนะกรรมแดดกรรมลมมันจะเห็นอะไรมันจะได้อะไรไปกรรมบ้างไหมล่ะกรรมแดดดูนะไปกรรมเอานิมิตมันจะได้อะไรนี่แต่มันอย่าเป็นชัน่วนสืบต่อให้เป็นวิ ป, ปรัชจหลนะเอาแววมาก็หยาบคายนั่งที่ไรมันก็คุมเราได้กิเลสนนะบังคับเราได้นะ เราไปเที่ยวไหนไปดูไหนไปเล่นไปเอาฉางไหนมาให้เราดูดูแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับนอะของฟอมของจริงของแท้เกิดแล้วไม่ดับคือตัวพุโทโธนั่นนะให้เข้าใจอย่างนี้นะใ ห, ให้รู้จักพุโทโธธรมโมถ้าเราได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเห็นพุธทธธรรมสงภายในเห็นสาระที่พึ่งอันประเสริฐ เห็นด้วยตาสติตาปัญญาใช่ไ้ยไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อตาหนังตาเนื้อตาหนังไม่เห็นโอกพุทโธธรรมโอสังโฆเนี่ยนะเห็นตั้งแต่ตาจิตตาใจตาสติปัญญาเนี่ะเวลานั่งว่างลงหนึ่งสติแล้วก็ไปรู้ว่าว่างก็เห็นความว่างอันนั้นแหะสติตาจิตตาใจมันจะเห็นขึ้นมานี่แหละ พุทธังธรมังสังขังสารนังพัชามีไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเพราะอยู่ที่ใจของเรานี่แหละใจของเราเน่แหละเป็นพุทโธใจของเราแหะเป็นธรรมโมใจของเราเน่ะเป็นสังโฆหรือเรียกว่ารัดดนตน์ใจใ้แววสามแก้วสามประการก็นี่แหละพุทโธธ ร, รมโมสังโฆไม่ได้ไปเห็นอยู่ลอยเป็นดวงแก้วขึ้นไป เป็นแก้วสีลุงสีนั้นสีนี่ขึ้นมาดอกแก้วสามประการอือแก้วสารพัดนึกแก้วสามประการเป็นผู้รู้รู้เป็นความว่างอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรว่าโดยย่อก็ใจอันเดียวนั่นหรือศีลสมาธิปัญญาก็ว่าโดยย่อก็ใจอันเดียว ใจปกติก็คือศีลใจเป็นสมาธิใจตั้งมั่นก็เรียกว่าสมาธิใจเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็เรียกว่าใจเป็นรอบรู้ในอนั้นนั้นนี้ในกองสังขารก็เรียกว่าปัญญาเท่านั้นศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือเรานคือใจนี่แหละศีลสมาธิปัญญารวมเรียกว่ามรกมีองค์เปร ย่อลงมาก็เหลืออยู่ใจเดียว เ, ยวเท่านี้พุทธโธธรโมโสังโฆคือใจอันนี้แยกใจออกไปทำทั้งหลายนั่นถ้าเห็นใจก็เหี่ยว่าเห็นธรรมเท่านัา้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นก็เห็นเราเห็นพุทธโธเท่านั้นผู้ใดเห็นเราผู้นั่นก็เห็นธรรมท่านัไม่ไปเห็นอยู่ที่อื่น เห็นนิมิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เห็นธรรมเหมือนกันเห็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่มันเกิดแล้วต้องดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นสัจจะคือความจริงคือดับความจริงนี่เรเรียกว่าธรรมไม่เห็นที่อื่นเห็นธรรมเห็นสัจจะ เห็นความจริงเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับอันนี้เป็นธรรมปลอมนะธรรมเกิดดับธรรมแท้คือธรรมชาติคือจิตเดิมแท้ของเรานะ่ไม่มีเกิดไม่มีดับตายไม่เป็นนี่แหละอมตะจิอตอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็น ผู้ใดเห็นตัวนี้แหละเรียกว่าเราเรียกว่าธรรมกายกายก็เป็นธรรมชาติกายของเราเป็นธรรมชาติตัวของเราเป็นธรรมชาติเราคือใครเราก็คือผู้ลู่นั่นแหละเราก็คือพุทโทธธรโมสังโฆ น, นั่นแหละไปเห็นเกิดเห็นดับก็เรียกว่าเห็นสัจจะเห็นธรรมสัจจะคือความจริง มันหลรู้จริงเห็นจริงเห็นอะไรเห็นมันเกิดมันดับเห็นสัจจะคือความจริงอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเห็นธรรมเห็นสัจจะธรรมเห็นความจริงเห็นมันเกิดมันดับต้องเข้าใจอย่างนี้อนมองเข้าไปเลยดูใจของเรามันก็เกิดก็ดับอยู่ไงใจที่มันเกิดมันดับนั่นเรียกว่า กิริยาอาการของจิตจิตมันทำงานใจมันทำงานทำแล้วก็งานอันนี้จบงานได้ยินเสียงโงด์ดังโอ้กขึ้นมาจบดับลงอาบัโกดให้เสียงโงดววาหัวยมีหนวกหูนั่งสมาธิไม่ได้ก็ะปรุงแต่งไปแล้วจิตปรุงแต่งไปแล้วอวิชาปจัจจยสังขลาแล้ว ความรู้ไม่จริงเนี่ยจิงไปนึกคิดปรุงแต่งไม่รู้ว่าสังขารต้องรู้ว่าสังขารมันเกิดแล้วต้องดับสังขารมันไม่เที่ยงสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งกันมันไม่เที่ยงเกิดแล้วมันก็ดับเรียกว่ารู้จริงรู้จริง นี่แหละทำที่พระพุทธเจ้าไปตัดสัลู่เนี่ยไม่เป็นรู้ที่อื่นหรอกปุ๊กเนี่ยสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นี่แหละเห็นทุกข์ขันห้าเกิดขันห้าก็ดับเห็นเกิดเห็นดับนี่เห็นสัจจะทุกข์คืออริยสัจจริง เ, เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้นี่ปารินเยยปาริญญาเรารู้แล้วนะ รู้แล้วว่ามันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้ไมไ่ไปยึดไปถือเอาทุกข์ไม่ไปแบกเอาทุกข์นะท่านเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็ไม่มีที่ท่านตัดเอาไว้อืตัดเอาว่าอย่างไงเหตุผลสนธิเนี่ยเหตุก็คือสมุทยัยผลก็คือทุกข์เหตุกับผลมันเชื่อมกันอยู่อย่างนี้สนธิแต่ว่าเชื่อมกัน สมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ทุกข์ก็คือผลสมุทัยเป็นเหตุเหตุกับผลมันจะเชื่อมกันอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็ไฟนี่โหลดมัดนี่โหลดก็เป็นผลมัด ก, ก็เป็นเหตุเหตุผลมันจะเชื่อมกันอยู่นี่โหลดแปลว่าดับดับ ตัณหาดับสมูทัยสมูทัยคือเหตุเกิดเพียงทุกข์ท่านเรียกว่ากามัตตัญหาภาวตัญหาวิภาวตัญหานิโรธประดับตัณหานี่ยแหละดับสมูทัยเนี่ยมันก็เชื่อมกันไปเหตุผลสนธิมร์กับนิโรธมันก็เป็นฝ่ายดับทุกสมูทัยก็เป็นฝ่ายเกิด เกิดแล้วก็ต้องดับเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดตายเกิดดับนี่ยเหมือนฝนตกนั่นแหละเคยอธิบายให้ฟังฝนตกแล้วมันเป็นยังไงวันนี้มันก็หยุดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเหมือนกับฝนตกฝนตกแล้วมันก็หยุดตกขท่นั้นแม้เราไปอุปทานเราเป็นพบเป็นชาติขึ้นมาไปเกิดอยู่ที่ไหนประเทศอะไรก็ตาม เกิดแล้วก็ต้องตายไม่ต้องไปย้อนและลึกดูดอกชาตินั้นเราเกิดเป็นอนั้นชาตินี้เกิดเป็นอนี้อยู่ที่นั่นที่นี่เราไม่ต้องการออกมาภาวนาต้องการสิ้นอาสวะที่เหลืเท่านั้นแม้ไปเกิดอะไรมันก็ตายคือเก่าอนาคตเราจะไปเกิดอะไรก็ตายคือเก่าเราจึงไม่อยากไปเกิดออดีตเราเกิดเป็นอะไรก็ตายคือเก่าอริยสัจความจริง สี่อย่างนี่คือเกิดกับตายเท่านั้นเกิดกับดับเท่านั้นมันก็เป็นอันนี้จังลุขังหน้าตาก็อันเดียวกันกับใจรักนั่นแหะอริยสัจสีไม่ได้ไปอยู่ที่อืน่นถ้าผู้เข้าใจแล้วอธิบายไปแง่ไห น, นมุมไหนก็ถูกหมดปฏิจจสมุปบาทก็อันเดียวกันก็เกิดดับนี่แหละอัญญามัญญาปัจจัยพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ ปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดอะไรอาศัยกันเกิดก็ลูกกำนามยิ่งอาศัยกันเกิดหูที่ได้ยินเสียงนี่ก็คือลูกนั่นเสียงงดมันร้องอูกอยู่นั้นมันกระทบหูของเราวิญญาณรู้ขึ้นว่าเสียงงดเสียงอะไรแล้วมันก็ดับลงพนนึงขันห้ามันก็เกิดนี่แล้วก็ดับอยนี้ขันห้ามันทํางาน งานของขันห้าพอหูเได้ยินแล้วนามสีก็วิญญาณเกิดขึ้นนามสีก็เกิดพร้อมกันแล้วก็ดับเกิดกับดับพร้อมกันขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันเสียงงดก็คือรูปภายนอกหูของเราก็อรูปภายในวิญญาณหูรู้งงขึ้นมาเกิดผัสงง ส, ผสะก็ไปกระทบใจ ใจก็สเสวยอารมณ์ว่าปัญญาว่าเสียงโงดเสียงอะไรสังขารก็ปูงแต่งจิญญาณก็ลูบให้นามสีก็เกิดรูปหนึ่งน้ำสีแล้ว่าขันห่าเกิดแล้วก็ดับแค่นี้สิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์หนึ่งนี่แหละไม่มีอะไรท่านจึงเรียกว่ามีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับ ขันห้าเนี่ยเราเรียกว่าทุกมันเกิดมันดับท่านเรียกว่าทุกไม่มีอะไรนะสุดท้ายเห็นขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันไม่กำหนัดขัดเคืองไม่ยินดีในเสียงนั้นเพราะว่าเสียงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเสียงก็เป็นสังขารปรุงแต่งกันขึ้นหมูก็เป็นสังขารดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งกันขึ้น วิญญาณหงก็เป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นอวิชาปัจจะยาสังขลานีจิตไม่รู้เท่าสังขารว่ามันสิ่งผสมปรุงแต่งมันเกิดแล้วก็ดับมันไม่เที่ยงจิงไปถือเอาเป็นปัจจัยอวิชาปัจจัยให้เกิดสังขารถ้ารู้ว่าเสียงอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสังขารปรุงแต่งกันขึ้น หูก็เป็นสังขารกายเราก็เป็นสังขารหูก็คือลูกภายในคือกายภายในเพเป็นสังขารปรุงแต่งกันขึ้นวิญญาณรู้ทางหูก็เป็นสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับเท่านี้ก็ไม่ยินดีไม่ยินลายเพราะว่าสังขารมันผสมปรุงแต่งกันขึ้นไม่มีอะไรมันเป็นของไม่เที่ยงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นเราเข้าใจอย่างนี้การมาภาวนาน ก็เรียกว่าดูเท่าเอาทันขันห้าขันห้ามันจะเกิดทุกขันห้านี่แหละคือกองก้อนทุกกองทุกก้อนทุกก้อนเกิดก้อนดับมันจะดับวันนักี่ครัง้งเกิดวันนักี่ครัง้งก็แล้วแต่อะไรจะเกิดอะไรจะดับแล้วแต่อะไรจะเกิดอะไรจะตายตัวผู้รู้ไม่ได้ตายด้วย ตัวเราไม่ได้ตายด้วยสิ่งที่เกิดที่ตายนั่นก็เป็นทุกข์ทุกเกิดทุกตายอยู่งั้นมันเป็นเองอยู่อย่างนั้นหรือท่านเรียกว่าเช่นนั่นเองตัทธตาเช่นนั่นเองทำใม้เช่นนั่นเองก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ เป็นอยู่เช่นนี้เองเป็นอยู่เช่นนี้เองตาเห็นรูปเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ดับไปโอได้ยินเสียงก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะโมกได้กลิ่นลิ้นได้ลดโผลทพะธรรมลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เกิดกับดับมีแต่เกิดกับตายมีแค่นี้ ไม่มีอะไรเราอย่ามาทรงเอารักษาเอาถือเอาอะไรเป็นจริงเป็นจังเป็นสลรายแก่นสารไม่มีมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นให้เราเบื่อหน่ายทายความยินดีในขันห้าเห็นว่ามันอนิจจังไม่เที่ยงอย่างเนี้ยทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้มันเกิดแล้วต้องดับ หน้าตาไม่หยุดภายใต้บังคับบัญชาของใครต่งไม่ให้เกิดไม่ให้ดับก็ไม่ได้มันเกิดเองดับเองเช่นนี้เองอจิงจะเกิดเกิดนิพพิทาวิราคะเบื่อหน่ายคลายความยินดีดจิตจึงจะหลุดพ้นจิตตาวิมุติงสติ จิตจึงจะหลุดพ้นจากขันห้าถ้าไม่กําหนดรู้อย่างนี้ไม่เบื่อในทายความยิน ด, ดีในขันห้ายังอุปทานขันห้ายังหลงว่าขันห้าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาอยู่อืมไม่เห็นขันห้ามันเกิดมันดับเกิดมาตั้งแต่ลอดท้องแม่มาไม่เห็นมันตายสักทีว่าอย่างนั้น ตาเนื้อตาหนังตาสติปัญญาเท่านั้นทึ่จะเห็นขันห้าเกิดตายมันไม่อยู่ไกลหรอกเอาไว้มามันก็เบื่อหน่ายขึ้นมาเองตรงเนี้ต้องเพียนาอยู่เนืองๆนะเห็นว่ามันมันเกิดมันดับอืมมันเกิดมันดับเนี่ยคือมันไม่ไม่มันไม่เที่ยงเห็นไตรักยานในขันห้าเห็นขันห้าเป็นอนิจจมทุกขครั้งอนจาตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นี่ย สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา เ, เห็นอนอันนี้จังทุกข์ขังอนัตตาหรื อ, อยังอไม่มี ส, า, สารแจ่มสารเกิดแล้วกว็ดับเกิดแล้วกว็ดับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี่จึงจะเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณยิ่งจึงจะหลุดพ้นพายความยินดี วิลาขะลาขะแปลว่ายินดีวิแปลว่าไม่ไม่ยินดีก็คือคลายค้อมยินดีนั่นแหละ<ม>ถ้าถึงจุดนี้ก็นี่แหละ ว, วิมุตหลุดพ้นวิมุตแปลว่าหลุดพ้นหลุดพน้ดพนจากขันห<ม>้าเกิดยานทัศนะวิมุตติยานทัศนะขึ้นมายานแปลว่ารู้รู้ว่าเราหลุดพ้นแล้ว ไม่ต้องไปถามใครหรอกรู้ที่เจ้าของปัจจตังยังนี่แหละรู้ว่าเราหลุดแล้วพ้นแล้วนะเกิดวิมุตติยานทัศนนะนวิมุตติประโยชนพ้นวิมุตติแล้วกัวิมุตติยานทัศนนะเกิดรู้ว่าเจ้าของหลุดพ้นไม่ต้องไปถามใครปัจจตังรู้จำพ่อเจ้าของเท่านั้น จะไปพูดให้คนอื่นฟังเขา่าขี้โม้ขี้คุยถ้าเป็นพระเขาก็เรียกว่าผิดธรรมผิดวินัยอวดอุต ร, ริมนุษยธรรมถ้ายมพูดได้อยู่เขาไม่เรียกว่าอวดถ้ามีจริงก็ไม่อวดนะอันจะพูดอยู่กับหมกับพวกกับลูกสิษย์ลูกหาผู้ใก่คิดพูดให้กันฟังผู้ไว้ใจกัน ลูกศิษย์ลูกหาเป็นมาเขาก็จะไปเล่าถวายครูบาอาจารย์ผมเป็นอย่างนี้ผมเห็นอย่างนี้ผมรู้อย่างนี้จิตผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดได้ไปพูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เขาจะประมาทเราหาว่าเราเป็นบ้านี่แหละการภาวนาจุดสุดท้ายความมุ่งหมายการบําเพ็ญภาวนาหรือการสร้างบารมี ุ่นงามความดีปุนกุศลก็เพื่อความมุ่งหมายจุดมุ่งหมายอันสุดท้ายก็เพื่อให้หลุดพ้นจากขันห้านี่นะถ้าหลุดพ้นจากขันห้าก็เห็นพระนิพพานขันห้ามันบังพระนิพพานอยู่ถ้าดับขันห้าได้ก็เห็นพระนิพพานเหมือนกับหินหินมันปิดน้ำเอาไว้อย่างมิชิดหรือจอกแหนหรือสนม จอกเหน ม, มันปิดน้ำเอาไว้มิชิดขันห้าแล้วก็ปิดบังพระนิพพานเอาไว้อย่างมิชิดถ้าเราทำลายขันห้าไม่ได้ไม่เห็นพระนิพพานถ้าเราดับขันห้าไม่ได้ไม่เห็นพระนิพพานขันห้ามันก็เกิดดับเป็นวัฏจัรสงสารอยู่อย่างนี้นิพพานแปลว่าดับสนิทดับอะไรพระเจ้าค่ะเนี่ยดับวัฏจัรสงสาร คมเวียนว่ายได้เกิดอะไรเวียนว่ายได้เกิดขันหน้าเวียนว่ายได้เกิดอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งมันหมุนอยู่อย่างเงี้ยเวียนว่ายได้เกิด อ, อยู่อย่างเงี้ยเป็นวัฏฏะสงสารอย่างเี้ไม่มีจบเหมือนมดไต่ขอบดงไม่รู้ว่อยู่ที่ไหนตรงปลายมันอ้อมไปก็ไม่รู้จากว่าตรงไหนเป็นที่สุดหมุนอยู่อย่างนี้เป็นวัฏจิตวัฏจักรอยู่อย่างนี้ยให นี่แหละคันห้ามันบังเปรียบสมิมนหินหินหินดานมันปกปิดน้ำเอาไว้พวกเขาเจาะบาดาันไปเจอหินบางคนใจน้อยกลัวจะไม่เห็นน้ำไม่ได้น้ำก็เลยหยุดไปเสียผู้ภาวนาก็เหมือนกันใจอ่อนใจเท่าแมาลงวีดทาไปทํามาก็เลยหยุด ถ้าอย่างนั้นไม่ถึงไม่เห็นหรอกเขาต้องเจาะหินนั่นให้ทะลุลงไปถึงจะไปถึงน้ําเปิดจอกเบิดแหนะออกจึงจะเห็นน้ําขั้นในเราดับขั้นห้าเปิดขั้นห้ายคะาขั้นห้าออกสละขั้นห้าออกดูกเท่าเอาขั้นขั้นขั้นห้าไม่ใช่ไปผูกคอตายไว้ฆ่าตัวตายดอกปากหานะคือ <ừ. S 1> ละคือว่าง คือรู้เท่าเอาทันขันห้ามันเกิดอยู่เช่นนี้เองดับอยู่เช่นนี้เองเราไม่ไปอุปทานขันห้าก็ไม่เกิดทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกข์นะถ้าเราไม่ไปอุปทานมันเกิดอยู่งั้นตลอดวันก็ไม่ทุกข์ถ้าไปอุปทานก็ถือว่าเรากำหนัดหรือขัดเคืองอย่างใดอย่างกำหนัดก็คือยินดีพอใจขัดเคืองก็ยินลาย คือไม่ยินดีไม่พอใจก็เกิดทุกข์ขึ้นมาต้องดับด้วยสติดับด้วยปัญญามันไม่ใช่ว่าขันห้ามันเกิดลอดท้องแม่มาเป็นขันห้ามานี่มันเห็นมันตายเราต้องรู้เท่าเอาทันมันเข้าใจมันว่ามันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้ปรินามธรรมังแปรปวนอยู่ตลอด เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนี้นาะผู้ภาวนาให้เข้าใจอย่างนี้เอาวันนี้ก็พูดไปพูดมาก็หมดเวล า, าละควรเจะเวลาแล้วหมดเวลาแล้วมันไม่อยู่ใกล้ดอก